บทภาชณี422กรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัตสังฆาทิเศษกรรมที่ทำถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัตสังฆาธิเศษกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ กรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกูุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องพิกูุสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ